รุ่งเรืองบรนเจิดจับตาลึกซึ้งแปลเพียงแรกแลบันดาปิติเออบลพันนาเป็นลีลาพาใจ สิ่งรอบปลายหลับกลายพี่รมสิ้นความไร้มนทิ้นอันอยากเรียบปานความสรารวิมนหองผู้รู้สุดแห่งยอดครูองศพันย ความซับซ้อนโอราที่มีที่เป็นอยู่ครวนคิดดูเหมือนไรผู้อาจยังรู้สิแลว้ว<อเ>แม่พบพราชผู้แพ้ปัญญาเส้นเหลือ ได้เรียนลองไตรตรองนานชารู้จำพายเพียงผู้ได้เป็นนายแห่งปัญญาจึงกล้ากล้าทวงทันสัจจานั้นเลิศจริงซามันปัญญาพระพุทธสอน ใมชื่นชมตาราแห่งความการุ่นอันแท้ทราบซึ่งแพลผ่านใจอันร้อน ด, ด้วยไฟใหญ่ดับเชื้อไฟ c m um.